เหมือนมีอะไรแปลกเธอลองเดินเข้ามาแค่แค่ได้ยินในไรบางไม้และเสียงที่เธอได้ยินนี้ก็เสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอแล้วรักขในที่มีมันล่นเลี่นต้องฟังแล้วตา น, นองหายเอาขอแต่ใจฉัน งงสงเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันและเสียงที่เธอได้ยนี้ก็เสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธ อ, เธอและรักข้างในที่